ทางจิตถึงนี้แค่2แค่สบายแต่ไม่สบายเราเชิญเชิญไม่ได้ก็เนื่องจากอาการมันไม่ชัดเขาจึงไม่บัญยัติขึ้นมาไม่บัญญัติขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าอาการของให้มันครบแล้วเพื่อจะให้ครบองค์ประกอบของอความรู้สึกแม้แต่นิดเ ด, ยเดียวเขาจะประยัดขึ้นมาแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่เข้าไปสัมผัสได้ขันกนะ็มันจำเป็นต้องประยัดขึ้นมาใช้มันลุงหลังนะเอาเฉพาะที่สัมผัสได้ แต่อทุกมาสุกเทนาแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยคนทั่วไปนะหรือนักปฏิบัติเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเราก็าไว้คุยกันตอนเย็นต่อนะอ แ, แค่นั้นเป็นหลักที่สัมผัสได้ชัดชัดแต่ว่าความรู้สึกเป็นกลางก็มีอยู่แต่ว่าเราสัมผัส ม, สมันไม่ได้นิสัมผัสได้ยากเราก็เอาไปเป็นองค์ประกอบนะโอเคนะอตอนเย็นในรายละเอียดเราก็ถามกันทีงี